แนวอธิบายอริยสัจโดยสังเขปขอ้ขอคอชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญามีความสุขอย่างอิสระและทากิจด้วยกรุณาอริยสัจข้อ3นิโรดนิโรดคือความดับทุกข์หรือภาวะหมดปัญหาเมื่อได้กล่าวถึงทุกข์หรือปัญหาพร้อมตั้งสาเหตุ ที่เป็นเรื่องร้ายไม่น่าพึงใจแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงชโลมดวงใจของเวนยชนให้เกิดความเบาใจได้มีความหวังขึ้นด้วยการตรัสอริยสัจข้อที่สคือนิโรธบอกให้รู้ว่าทุกที่บีบคั้นนั้นดับได้ปัญหาที่กดดันนั้นแก้ไขได้ทางออกที่น่าพึงใจมีอยู่ทั้งนี้เพราะสาเหตุแห่งปัญหาหรือบรรดาทุกนั้น เป็นสิ่งที่แก้ไขกําจัดหรือทําให้หมดสิ้นไปได้ทุกข์หรือปัญหาตั้งอยู่ได้ด้วยอาศัยเหตุเมื่อกําจัดเหตุแล้วทุกที่เป็นผลก็พลอยดับสิ้นไปด้วยเมื่อทุกดับไปปัญหาหมดไปก็ถึงภาวะหมดปัญหามีภาวะไรทุกปรากฏขึ้นมาอย่างเป็นไปเองมุ่นหายกลายเป็นว่างหลุดโล่งโปร่งเบาปลอดพ้นไปได้เป็นอิสระ หมดจดสดใสโดยนัยนี้นิโรธอริยสัจจึงตามเข้ามาเป็นลำดับที่สทั้งโดยความเป็นไปตามธรรมดาของกระบวนการเองและทั้งโดยความเหมาะสมแห่งกระบวนวิธีการสอนที่ชวนสนใจช่วให้เข้าใจสอนได้ผลและชวนให้ก้าวสู่การปฏิบัติเพื่อประจักษ์ผลที่เป็นจริงเมื่อกาจัดตันหาพร้อมทั้งกิเลสว่างเครือที่บีบคั้นครอบงา แด้หลอนล่ดจิตลงได้จิตก็ไม่ต้องถูกทรมานด้วยความเร่าร้อนร้านรนกระวนกระวายความหวาดวันความกระทบกระทั่งความหงอยเหงาและความเบื่อหน่ายไม่ต้องหวังความสุขแบบขอไปทีเพียงด้วยการหนีหลบออกไปจากอาการเหล่านี้หรือแก้ไขทุกข์ด้วยการหาอะไรมากลบปิดไว้หรือมาทดแทนหรือหาทางไประบายออกข้างนอกพอผ่านหรือพ้นไปคราวหนึ่งคราวหนึ่ง ด้วยการแก้ไขที่เหตุปัจจัยนี้จิตหลุดพ้นเป็นอิสระปลอดโปร่งโล่งเบามีความสุขที่ไร้ฝฟฟ้าด้วยไม่ต้องสะดุดพระพานสิ่งกังวลข้างค้างใจสงบสดชื่นเบิกบานผ่องใสได้ตลอดทุกเวลาอย่างเป็นปกติของใจบรรลุภาวะสมบูรณ์ของชีวิตด้านในเป็นอันสำเร็จกิจแห่งสัจจกิริยาคือการประจักษ์แจ้งจุดหมาย ส่วนอีกด้านหนึ่งเมื่อจิตหลุดพ้นจากกิเลสที่บีบคั้นครอบงำหลอนล่อและเงื่อนปมที่ติดข้องภายในเป็นอิสระผ่องใสโดยไม่มีอวิชชาที่จะมาแสดงอิทธิพลหนุนนำชักใยอีกต่อไปแล้วก็ย่อมมีความหมายว่าปัญญาได้หลุดพ้นจากกิเลสที่บดบังเคลือบคลุมบิดเบือนหรือย้อมสีบริสุทธิ์เป็นอิสระจึงทาให้สามารถคิดพิจารณาสิ่งทั้งหลาย อย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงมองสิ่งทั้งหลายตามสภาวะและตามเหตุปัจจัยเมื่อไม่มีอวิชชาตันหาคอยชักพาให้เขวปัญญาก็เป็นเจ้าการในการชี้นำพฤติกรรมทำให้วางใจปฏิบัติตนแสดงออกสัมพันธ์กับโลกและชีวิตด้วยความรู้เท่าทันความเป็นจริงนอกจากปัญญานั้นจะเป็นรากฐานแห่งความบริสุทธิ์เป็นอิสระของจิตในส่วนชีวิตด้านในแล้ว ในส่วนชีวิตด้านนอกก็ช่วยให้ใช้ความรู้ความสามารถของตนไปในทางที่เป็นไปเพื่อการแก้ปัญหาเสริมสร้างประโยชน์สุขได้อย่างแท้จริงสติปัญญาความสามารถของเขาถูกใช้ให้เป็นประโยชน์ได้เต็มที่ของมันไม่มีอะไรน่วงเหนียวบิดเบนเป็นไปเพื่อความดีงามอย่างเดียวจึงเรียกว่าเป็นการดาเนินชีวิตด้วยปัญญาหรือชีวิตที่ดาเนินไปด้วยปัญญายิ่งกว่านั้น ในเมื่อจิตใจเป็นอิสระปลอดโปรง่งเป็นสุขอยู่เป็นปกติเองไม่ห่วงไม่กังวลเกี่ยวกับตัวตนไม่ต้องคอยสแสวงหาสิ่งเสรไม่ต้องคอยปกป้องเสริมความมั่นคงยิ่งใหญ่ของตัวตนที่แบกถือเอาไว้แล้วจิตใจก็เปิดกว้างแผ่ความรู้สึกอิสระออกไปพร้อมที่จะรับรู้สุขทุกข์ของเพื่อนสัตว์โลกและคิดเกื้อกูลช่วยเหลือโดยในยะนี้ปัญญาจึงได้กรุณา มาเป็นแรงชักนำพฤติกรรมต่อไปทําให้ดาเนินชีวิตเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นได้เต็มที่ในเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆในแง่ของกิเลส ท, ที่หวงหาผูกพันจะเอาจะได้เพื่อตัวตนแล้วก็สามารถทำการต่างๆที่ดีงามบำเพ็ญกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นได้อย่างมุ่งแน่วจริงจังสำหรับชีวิตด้านในมีจิตใจอิสระเป็นสุขผ่องใสเบิกบาน เป็นความบริบูรณ์แห่งประโยชน์ตนเรียกว่าอัตตหิตะสมบัติส่วนชีวิตด้านนอกก็ดำเนินไปเพื่อเกื้อกูลแก่ผู้อื่นเรียกว่าประหิตะปฏิบัติเข้าคู่กันเป็นอันครบลักษณะของผู้ที่ได้ประจักษ์แจ้งความหมายสูงสุดของลิโรธอย่างไรก็ตามผู้ดำเนินมรคาแห่งอารยะชนไม่จำเป็นต้องรอผลจนกว่าจะบรรลุนิพพาน ที่เป็นความหมายสูงสุดของนิโรธเมื่อเดินตามมักถูกต้องแล้วแม้ในระหว่างทางก็สามารถประสบผลแห่งการปฏิบัติพระจักแก่ตนได้เรื่อยไปโดยควรแก่การปฏิบัติทั้งได้ประโยชน์เองและทำประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยดังที่ว่าแล้วนั้นมากและสูงขึ้นไปตามขั้นด้วยว่านิโรธนั้นมีลดลันลงมารวมด้วยกันถึงห้าระดับคือ 1. วิขำพนะนิโรธดับกิเลสดับทุกข์ด้วยข่มไว้โดยทำจิตใจให้สงบเยือกเย็นผ่อนคลายหายเครียดปราศจากความขุ่นมัวเศร้าหมองหายเร่าร้อนกรวนกระวายด้วยวิธีการฝ่ายสมาธิเฉพาะอย่างยิ่งหมายเอาสมาธิในระดับชาญซึ่งกิเลสถูกทำให้สงบไว้ ได้เสวยเนิรามิสุขตลอดเวลาที่อยู่ในฌานนั้น 2. ตทางคณิโรธดับกิเลสดับทุกข์ด้วยองค์ธรรมกู้ปรับหรือธรรมที่ตรงข้ามเฉพาะอย่างยิ่งการรู้จักคิดรู้จักพิจารณามีปัญญารู้เท่าทันความจริงที่เป็นธรรมดาของสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัยและจะพึงแก้ไขที่เหตุปัจจัยไม่ขึ้นต่อความอยากความปรารถนา และความหมายมั่นยึดถือของมนุษย์และวางใจได้ถูกต้องและปฏิบัติต่อทุกสิ่งด้วยท่าที่แห่งความรู้ความเข้าใจทั้งมีจิตใจเป็นอิสระและหวังดีมีน้ำใจเมื่อปัญญานี้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนตรงตามสภาวะก็เรียกว่าวิปัสสนาปัญญาทำให้กิเลสและความทุกข์ดับหายไปได้ตลอดช่วเวลานั้นมีจิตใจสงบบริสุทธิ์เป็นสุขผ่องใสเบิกบานใจ กับทั้งทำให้จิตประนีตและปัญญา ง, งอกงามยิ่งขึ้นสมสมุดเฉทนิโรธดับกิเลสดับทุกข์ด้วยตัดขาดคือบรรลุโลกุตระมักตั้งแต่สโสดาปฏิมักขึ้นไปดับกิเลสดับทุกได้เสร็จสิ้นเด็ดขาดตามระดับของมักนั้นๆ 4. ปฏิปสัินิโรธดับกิเลสดับทุกข์ด้วยสงบระงับไปคือบรรลุโลกุตระผล เป็นอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปกิเลสดับสิ้นไปแล้วมีความบริสุทธิ์ปลอดโปร่งเป็นอิสระตามระดับของอริยบุคคลขั้นนั้นๆ 5. นิสรณะนิโรธดับกิเลสด้วยสลัดออกได้หมายถึงภาวะที่เป็นอิสระปลอดโปร่งอย่างแท้จริงและโดยสมบูรณ์คือภาวะแห่งอิพาน